เนี่ยคำถามไอ้คำที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะใครที่ชอบสวดมนต์เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ใน <c oughs> คําถามเรียกว่ามัจจุปาสัมุติปัญหาอ่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจเนี่ยนะสำหรับใครที่เขามาก็ชอบปัญชอบคำถามนี้มันกันทําให้เข้าใจอะไรได้อีกหลายอย่างด้วยกันพระจามีลินถามว่าพระกุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทธความขอนี้ไว้ว่าณอันตลิคเคนณสมุทมัตเช นาปพตานังวิวรังปวิสปวิสสะนาวิชตีโสชะคะติปเทโสยัติโตมัจเจยมั จ, จุปาสาแปลว่าบุคคลผู้เกิดมาแล้วหนีเข้าไปในกลางหาวก็ไม่พ้นจากความตายบ่วงมจจุก็คือความตาย หนีเข้าไปในกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากความตายหนีเข้าไปยังซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายเขาดำรงอยู่ในภูมิประเทศใดแล้วพ้นจากความตายภูมิประเทศนั้นหามีไหมเขาบอกว่าหนีจนเรียกว่าหนีไปหนีให้พ้นตายเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าประสบความสําเร็จก็คือหนีไปตายนี่ยแหละเพียงแต่เปลี่ยนที่ตายเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะยืดเวลาตายเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งสรุปว่าสําหรับ ผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะไม่มีอะนี้ไปอยู่ที่ไหนที่มันพ้นความตายถ้าพื้นที่ตรงนั้นตารางนิ้วแล้วเป็นร้อยล้านคนก็คงซื้อนะถ้าอยู่แล้วมันพ้นความตายใช่ไหมอย่างเขาเขา เ, ข า, เขาเชื่อเชื่อว่าห้องไอซีอาจจะช่วยตายได้เนี่ยนะเขาก็เลยเข้าไปห้องคืนนะหลายตังเขาก็ยอมสู้สู้ๆู้กันใช่ไหมเผื่อมันจะรอดตายกันปังกันเพราะถ้ามีพื้นที่ที่อยู่แล้วไม่ตายจริงเนี่ยนะคนคงจะไปอยู่กันเยอะเลยแหละอาจจะราคาแพงมาก น, นะอาจจะตารางเซนละหลายล้านเลยแหละ ไม่ใช่ตารางตัวนี้นะตารางเซนหรือตารางมินนี่อาจจะหลายล้านเนี่ยนะอาจจะเป็นพันล้านคนก็ขอซื้อแหละว่างท น, นเออคือสรุปว่าจากพุทธพจน์ตรงนี้พระองค์บอกว่าคนผู้เกิดมาแล้วเนี่ยนะอยู่ที่ไหนที่จะพ้นจากความตายไม่มีคือสรุปทีนี้ไอ้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามีอยู่ว่าก็พระองค์ยังแสดงอีกที่หนึ่งนะบอกว่าพระปริศเนี่ยนะพระปริตปริศแปล ว, ว่าเครื่องป้องกัน ภาพปริศตทั้งหลายพระองค์แสดงเครื่องป้องกันเอาไว้อีกปริศตที่เป็นเครื่องป้องกันมีอะไรบ้างเช่นรัตนสูตรเมตตสูตรขันทปริศต์เนี่ยนะโมระปริศตทชักขปริศตอาตานาติยะปริศตองค์คุลิมาลปริศต์แสดงย ก, ยกตัวอย่างตรงนี้ยกมาแปดปริศตด้วยกันพระขุนเจ้านาคเษนถ้าหากว่าบุคคลไปในอากาศแล้ว แม้ไปในถ้ำกลางมหาสมุทรแล้วแม้ไปในปราศาทกุติที่เร้นอยู่ในเขาในเงื่อมในโพรงในซอกเขาระหว่างภูเขาก็ไม่พ้นจากความตายได้ายท่าอย่างนั้นการเจริญพระปริศก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเอ้าอยู่ที่ไหนก็ตายเจริญทําไมพระปริตสวดให้เป็นเมื่อยทําไมอย่างนั้นนะนะสวดให้เป็นเจ็บคอทําไมเพราะอยู่ที่ไหนไหนก็ตายแล้วเพื่นรู้จักสวดให้เป็นเหนื่อยไปทําไมถ้าหากว่ามีอันพ้นจากบ่วงมัดจุคือถ้าหากว่า พ้นจากความตายเพราะการเจริญพระปริษได้จริงถ้าอย่างนั้นคำที่บอกไว้ว่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นจากความตายก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดเธอถ้าบอกว่าพระปริตเป็นเครื่องป้องกันได้คนก็ต้องไม่ตายสิถ้าบอกว่าคนเกิดมาจะต้องตายแล้วสวดพระปริศมีประโยชน์อะไรปัญหาสองข้อนี้มันเป็นเงื่อนเป็นปมยิ่งกว่าปมตกแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้น้วยเถิด คืออีกสูตรหนึ่งพองษ์บอกว่าสัตว์เกิดมาอยู่ที่ไหนก็ตายที่ไหนที่มันพ้นจากความตายไม่มีอีกสูตรหนึ่งบอกแมพภพระปริษน ะ, ะเครื่องป้องกันเช่นรัตนสูตรเมตตสูตรเป็นต้นเนี่ยแหมเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีสูตรหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวก็ตายอีกสูตรหนึ่งบอกว่านี่เครื่องป้องกันเอมพูดแล้วมันฟังมันขัดกันเองนะที่บายให้ฟังทีเถอะมันเข้าใจยากเหลือเกินสองคำเนี่ยนะขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะอยู่ที่ไหนที่จะพ้นจากความตายอ่ะไม่มีพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้จริงและอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสพระปริตรเอาไว้ก็จริงอย่างเช่นสูตรหนึ่งน ะ, ะมีอยู่สูตรหนึ่งที่เรียกว่าอาหิสูตรอังคุตระนิกายจตุการนิวันพระพิสุทธ์ถูกงูกัดตายพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพิสุทธ์รูปนี้ต้องไม่เจริญเมตตาให้แก่งูแน่ งูจึงกัดตายพระองค์ก็เลยสอนพระปริศเป็นเครื่องป้องกันอันตรายที่เกิดจากงูกัดพระองค์ก็บอกว่าวิร e ูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมเมตังเมตังเป็นต้นเนี่ยนะขอขอความมีเมตตาจงมีแก่สัตว์ตระกูลเอราปทะเป็นต้นเนี่ยท่านเขาก็พระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านี้ป้องกันงูกัดพระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาบอกว่างูกัดตาย บอกว่าไม่พ้นจากความตายและพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเมตตาบอกว่าป้องกันการงูกัด <Hey. S 1> เขาจะยากนะคือพระเจ้ า, อาขอไปพระนาคเกษก็บอกว่าทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทุกเกิดมาแล้วที่อยู่ที่ไหนที่จะพ้นจากความตายไม่มีอ่ะเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้จริงพระองค์ตรัสถึงภาพรประดิษฐเครื่องป้องกันพระองค์ก็ตรัสไว้จริงแต่ว่าข้อนั้นพระองค์ตรัสไว้สําหรับ บุคคลผู้ยังมีอายุเหลืออยู่หมายค่าว่าอายุเหลืออยู่ยังไม่ถึงคือหมายค่าว่ายังไม่พอที่จะตายได้ยังมีวัยสมบูรณ์ปราศจากกรรมมาวรเท่านั้นสำหรับคนสิ้นชีวิตหรือคนสิ้นอายุแล้วกิจที่จะต้องทำหรือความพยายามเพื่อความดำรงอยู่หามีไม คนตายจะมีประโยชน์อะไรกับพระปริศใช่ไหมไปสวดพระปริตให้คนตายฟังมันได้ประโยชน์อะไรส่วนแล้วมันก็ไม่ฟืน้นร้องนะเพราะฉะนั้นคําว่าพระปริศเครื่องป้องกันเนี่ยพระองค์ตรัสสําหรับคนที่ยังมีมีอายุมีวัยสมบูรณ์ไม่มีกรรมมาวอนขอถวายพระพลเปรียบเหมือนว่าต้นไม้ที่ตายแล้วแห้งแล้วผุแล้วไม่มีอย่างแล้วชีวิตดับคือต้นไม้ตายสนิทปราศจากอายุสังขารแล้ว เมื่อบุคคลตักน้ำมารด ถ, ถึงพันหม้อก็หากลับสดเขียวหรือผลิตแตกใบแตกหน่อขึ้นได้อีกไม่ฉันใดไม่เชื่อเสาบ้านเราก็ตัดออกมาปักแล้วชก็รดน้ำดูสิเผื่อมันจะออกเก่งออกดอกมั่งพันนี้อยากได้หรือเกินอนุรักษ์เอาไว้นะไม้สักที่เสาบ้านน่ะนะก็เลยรดน้ำทุกวันทุกวันเพื่อจะให้เสาไม้สักนี่มันงอกขึ้นใช่มสาเร็จไหมยิ่งรดน้ยิ่งผเร็วขึ้นน่ะสิไม่ว่า คือไม่มีประโยชน์เลยนะรถไปเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้งอกขึ้นฉันใดขอถวายพระพรสําหรับคนที่สิ้นอายุแล้วกิจที่ควรทำหรือความพยายามเพื่อดำรงชีวิตด้วยยาหรือด้วยภาพรปริตหามีไม่ฉันนั้นมันภาพรปริษหรือยาเขาไม่ได้ใช้สําหรับให้คนตายกินเขาบอั้นขอถวายพระพรอยู่ยาทั้งหลาย ทั้งหมดในแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่กิจที่คนทำสำหรับคนที่สิ้นอายุแล้วคือหมายความว่ายารักษาโรคเนี่ยนะเขาเอาไว้ใช้สำหรับคนตายไหมแต่แม้แต่สมัยใหม่เนี่ยนะเขาพูดว่ามันก็ชิงอีกทีนะเขาบอกว่าเนี่ยศพอะไรนะศพพวก ท, ที่เขาดองๆไว้เรียออะไรนะ <Money. S 1> มัมมี่ใช่ไหมมัมมี่มันขึ้นราเขาเลยเอาไปรักษาที่ต่างประเทศกัน ก็ <c oughs> บอกโอ้โนี่มันก็ใช้ยาสําหรับคนตายนะถ้าสมัยใหม่มันเถียงได้หมดนะแต่สมัยโบราณเนี่ยตายเช้าเผาเชา้ชาตายเย็นโยนทิ้งเย็นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้างั้นอนะ่ะยาทั้งหลายเขามีไว้ใช้สําหรับกับคนเป็นว่างั้นขอถวายพระพรพระปริศจะรักษาคุ้มครองก็เฉพาะผู้ที่ยังมีอายุเหลืออยู่มีวัยสมบูรณ์ปราศจากกรร ม, มาวอกรร ม, มาวอก็คือพวกอ น, นันตริยกรรมนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระปริตรเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่คนพวกนั้น น, นะคนที่ยังมีอายุเหลืออยู่มีวัยสมบูรณ์ไม่มีกรรมมาวอเครื่องกั้นคือกรรมนนะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าเมื่อข้าวกล้าแก่ง่อมแล้วต้นข้าวกล้าก็ตายไปชาวนาพึ่งกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าไป ส่วนข้าวกล้าที่ยังอ่อนอยู่มีวัยสมบูรณ์ย่อมงอกงามเติบโตได้ด้วยการเพิ่มน้ำให้ฉันใดอุปมาณ้ชาวนาทั้งหลายเห็นชัดใช่ไหมยอย่างหน้านี้เนี่ยฤดูที่กำลังเพาะปลูกเนี่ยนะถามว่านาข้าวต้องการนาใช่ไหมเขาก็นาข้าวต้องการต้องการน้ำใช่ไหม อย่างนาเนี่ยนะน้าที่คนกําลังเพาะกําลังปลูกกําลังต้นข้าวต้นกล้าขึ้นมาสวยเขาต้องการน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงพืชในนาใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ถามว่าข้าวที่เตรียมจะเกี่ยวเนี่ยต้องขาน้ําเข้านาก่อนไหมบอกไม่จําเป็นเขาว่านฉันใดสําหรับผู้ที่สิ้นอายุแล้วก็เป็นอันต้องยกเว้นต้องบอกปัดการใช้ยาหรือการเจริญพระปริศ น, นะ พรนพราปริศนี้เขาไม่ได้สวดกับคนตายเองนส่วนว่าคนเหล่าใดที่ยังมี อ, อ, า, อายุเหลืออยู่มีวัยที่ยังสมบูรณ์อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพราปริษและยาเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นคนเหล่านั้นย่อมเจริญได้ด้วยการเจริญพราปริษคือชีวิตจะอยู่ต่อไปได้ก็อาศัยพระปริษและการใช้ยาฉะนั้นเหมือนกันก็ เรื่องนี้เขามีในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีอยู่เรียกว่าอายุวัฒนะกุมารสมัยที่อายุวัฒนะกุมารตัวเล็กเนี่ยนะเขาเอาเข้าไปหาฤาษีอ่าคือคือพ่อแม่เนี่ยอุ้มเด็กเด็กชายชื่ออายุวัฒนะกุมารเนี่ยเข้าไปหาฤาษีฤาษีก็บอกว่าขอให้พ่อแม่มีอายุยืนยาวแต่ไม่พูดถึงลูกแม้แต่คําเดียวให้พรลูกหน่อยสิบอกลูกของเธออีกเจ็วันจะตายให้พรยังไงมันก็ตายประมาณ เสรแล้วบอกโอ้พ่อแม่เสียใจมากรู้ว่าอีกเจ็ดวันลูกจะตายเพร่อฤๅษีบอกว่าตรวจดูอายุไขแล้วมันจะตายภายในเจดวันหนักใจมากเลยทําไงดีก็ปรึกษาฤๅษีฤๅษีก็บอกฉันไม่รู้หรอกไปถามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันก็อุ้มเด็กเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกขอให้พ่อแม่ทั้งสองมีอายุยืนยาวแต่ลูกก็นิ่งอีกไม่พูดถึงอีกพ่อแม่นี่หนักใจให้พรลูกหน่อยสิให้มีอายุยืนยาวบอกไม่ได้ลูกของเธอจะตายเจ็ดวัน ก็บอกว่าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีอะไรเลยหรือก็บอกว่ามีนะก็คือสาเหตุที่จะทําให้เด็กตายก็คือยักษ์ที่เป็นคู่เวรจะตามมาฆ่าข อ, อบเขตแห่งการฆ่ามีอยู่แค่7วันเพราะเขาคนที่จะมาฆ่าเนี่ยปล่อยเขาปล่อยมาแค่เจวันมั้นถ้าภายใน7วันฆ่าได้ก็ฆ่าไปเลยถ้าภายใน7วันฆ่าไม่ได้เด็กคนนี้จะอายุยืนทีนี้ถามว่าทํำยังไงจะไม่ให้ยักษ์หรืออมนุษย์มาฆ่าบอกว่าสวดพระปริศ ไอ้นิมนต์พระพระพิสุเนี่ยไปสวดภาะประรตษ์เวันแล้วถ้าระหว่างที่สวดภาะประริษก็อัญเชิญเทวดาใช่เทวดาผู้ใหญ่มากันหมดยักษ์ก็เลยไม่มีโอกาสเข้าตอนหลังเนี่ย อ, อ, อายุวัฒน์พ้นจากเจวันนั้นไปยักษ์ก็ไม่มีโอกาสในการฆ่าเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะท้าวเวสวรรณอนุ ญ, ญาตไว้แค่นี้นะตามความดีความชอบว่ า, ถ, าถ้าจะทําลายคู่เวรต้องทําลายได้ในช่วงเท่านี้เท่านั้นนะพ้นจากนี้ไปแล้วทําไม่ได้ ทีนี้พอครบเจ็ดวันตายักษ์ก็ไม่มีโอกาสอายุวัฒนะโ ก, กมันก็อายุยืนเป็นร2อยี่สิปีเนี่ยนะร้อยิบปีจึงตายนันที่มาของว่าทำไมพระพิสุจะให้พรเสมอว่า อภิวาทนานสีลิสนิจังวุธาปจ า, ายโนจัตตาโรโธรรมาวันติอายุวันโน ส, สุขังพลังเนี่ยนะผู้อ่อนผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิดเขาจะเจริญด้วยอายุวันนสุขะและพะละเนี่ยนะันของเราก็อ่อนน้อมต่อพระเจดีเพื่อจะอายุยืนขึ้นอ้าว แต่อย่าไปนั่งซะจนจุติก็แล้วกันเนี่ยนะเปลี่ยนอิรยาบถให้มันพอดีหน่อยนะหมายความว่าทุกอย่างให้มันพอสมนะพูดนะไม่ใช่แม้อย่าอายุยืนมากเลยขอสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ลุกไม่เดินอนะนะไม่แน่อาจจะพอดีก็ได้เนี<ช>่ย<ช>นะบุญเก่าเอ้ก็คือบุญที่ทําอาจจะอายุยืนแต่ว่าขอชาติหน้าก็แล้วกั น, ะนะนอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคุยกับตัวเองก็แล้วกัน ฝันเอ้ยภายในเจ็ดสิบห้าปีต้องไม่ร่วงนะตาเอ้ยภายในเจ็ดสิบหปีขอให้ใช้งานได้ดีๆคอเอ้ยอย่าเคล็ดอย่ายอกนะเนี่ยก็คุยกับตัวเองกันแล้วกันถ้าคุยได้สำเร็จก็ก็อย่างที่ว่านี่แหละคือสรุปพระเจ้ามิลินก็ยังไม่เห็นด้วยนะบอกว่าพระคุณเจ้าน่าเกษรถ้าหากว่ายามีเอ่อ ขอไปถ้าหากว่าผู้มีอายุสิ้นแล้วจะต้องตายผู้มีอายุเหลืออยู่จึงจะเป็นอยู่ได้ดังนี้ไซถ้าอย่างนั้นภาพปริษ์และยาก็เป็นของไรประโยชน์เลยามันก็ไม่มีประโยชน์สิเครื่องป้องกันก็ไม่มีประโยชน์สิเพราะมันป้องกันคนเป็นไม่ได้ป้องกันคนตายงั้นจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมพระเจ้าไม่เรียนกระหมายคาถามก็เด็ดนั้นเอ้ยานี่มันมีประโยชน์สําหรับคนมีชีวิตไม่ได้มีประโยชน์สําหรับคนตายแล้วงั้นยามันมีประโยชน์อะไร พนาเกษรก็บอกขอถวายพระพรมหาบพิษพระองค์เคยทรงทอดพระเนตรเห็นคนที่มีโรคซึ่งพอใช้ยาก็หายจากโรคบ้างหรือไม่ใช่พระคุณเจ้าข้าพระเจ้าเห็นมาแล้วเห็นหลายร้อยคนเลยนะไม่ใช่เห็นคนเดียวเข้าทางเลยวั้นนั่นนะพนาเกษรบอกว่าถ้าอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพระปริษและยาเป็นของไร้ประโยชน์ดังนี้ก็เป็นคําตรัสที่ไม่ถูกต้องเอพระองค์นี่พูดขัดกันเองนะ ก็อบอกว่าใช้ ย, ยารักษาหายมาแล้วเป็นร้อยเสร็จแล้วบอกว่ายาไม่มีประโยชน์นี่พูดยังไงมันฟังไม่ขึ้นเออพระคุณเจ้าการฉลมยาก็ปรากฏว่าเป็นความพยายามของหมอเพราะความพยายามของหมอเหล่านั้นโรคจึงหายได้ขอถวายพระพรอ่ะ น, นะก็อบอกว่ายอมรับแล้วว่ายามันมีประโยชน์นะทีนี้พระปริศลขอถวายพระพรบุคคลทั้งหลายเมื่อสวดพระปริตลให้ได้ยินเสียงอยู่ หมายค่าว่าก่อนจะตายหรือว่าสุขภาพไม่ดีอ่อนเพลียและเหีื่อใจเนี่ยนะฟังเสียงพระปริตลิ้นก็แห้งไปหัวใจอ่อนหมายค่าว่าลิ้นลิ้นที่แห้งไปเนี่ยก็จะชุ่มขึ้นหัวใจที่อ่อนเพลียก็มีแรงขึ้นคอระบมก็หายระบมสงบขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งปวงของบุคคล น, นั้นก็สงบไปเพราะการสวดพระปริศเสนียจังไรทั้งปวงก็ปราศจากสิ้นไปเพราะ ส่วนพระปริศขนาดยายังมีประโยชน์ช่วยเหลือได้พระปริศก็ป้องกันได้ฉันั้นขอถวายพระพรพระองค์เคยทรงทอดพระเนตรเห็นมาแล้วบ้างหรือไม่ว่าคนที่ถูกงูกัดพอใช้บทมนก็สามารถทําพิษให้ตกไปทําพิษให้ซึมออกไปได้สํำรอกพิษออกมาได้ทั้งทางเบื้องบนและทางเบื้องล่างนะคือสมัยก่อนเนี่ยนะรักษาพิษงูโดยมากใช้เวทมนต์กันทั้งนั้นเลย แถวอีสานก็ยังใช้อยู่ตอนนี้นะ ก, ก็หายจริงก็ไม่ไม่ไมค่อยตายเท่าไหร่น้อยมากที่ตายทั้งงูเห่า ง, งูอะไรเนี่ยนะถ้าถ้ารักษาทันนะรักษามาถ้ามันเน่าออไปแล้วก็ก็ส่งให้หมอที่ริ่มัายก็ตัดนะนะพระเจ้ามิลินก็กล่าวต่อไปว่าท้านพระเจ้าเคยเห็นหลายคนเคยเห็นหลายคนและทุกวันนี้ในโลกนี้ก็ยังใช้วิธีคือใช้เวทมนต์รักษาพิษงูอยู่ ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสว่าพระปริศและยาเป็นของไร้ประโยชน์ดังนี้ก็ต้องเป็นคําตรัสที่ไม่ถูกต้องอา้าวก็เห็นตัวอย่างมาตั้งมากมายแล้วทําไมมาบอกว่าไม่มีประโยชน์ล่ะขอถวายพระพรงูต้องการจะ ก, กัดก็ไม่อาจา ก, กัดบุรุษผู้เจริญพระปริศได้งูอ้าปากไม่ขึ้นคำ่างั้นนะงูอ้าปากไม่ขึ้นท่าท่าท่าจัางที่เรียกว่าอะ อหิสูตเนี่ยนะถ้าพระพิสูจน์เจริญพระปริตตามนั้นเนี่ยงูยังอ้าปากกัดไม่ขึ้น 2. พวกโจรก็ไม่อาจจะเงื้อไม้ค้อนขึ้นทําร้ายได้พวกโจรเหล่านั้นจะพากันทิ้งไม้คอนเสียแล้วก็ทําความรักให้เกิดขึ้นมาแทนคือบางคนเนี่ยวางแผนจะไปฆ่าพอเห็นปั๊บก็ทิ้งอาวุธเลยก็เลยกลายเป็นว่าไปพักดีไปรักไปสวามีพักเนี่ยนะ เคยได้ยินไหมลักษณะนี้ก็มีไม่ใช่น้อยตอนแรกก็ทำทำท่าว่าจะไปฆ่าเป็นอย่างดีเลยแล้ววางแผนเอาเป็นเอาตายแม่พูดเสร็จแล้วไปสมัครเข้าครังน้นเรียบร้อยไปแล้วยงเงเหมือนกับว่าอะไรนะส่งให้ไปฆ่าที่ไหนได้เท่ากับส่งให้ไปรับใช้อย่างเงี้ยนะอ่าใช่บางคนก็ถึงกับไปสารภาพเลยไปอะไรเลยบอกที่แรกก็จะมาฆ่าแต่พอเห็นแล้วก็ฆ่าไม่ลงขอสารภาพความผิดขอให้ท่านอดโทษให้ด้วยเถอะเนี่ยนะ แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างช้างนเนี่ยนะช้างที่มาใกล้พระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของเมตตาช้างก็หยุดอยู่ไม่ได้ชนพระพุทธเจ้าอะไรช้างนาลาคิริงอย่างหนึ่งแล้วก็พวกอะไรนะ พ, พวกโจรเอ่อเข้าไปพระเทวทัตเนี่ยให้นายขมังธนูเนี่ยนะขมังธนูคนที่หนึ่งไปยิงพระพุทธเจ้านายขมังธนูไปเห็นก็เงื้อธนูไม่ออกตอนหนังพระองค์ก็แสดงธรรมก็บรรลุเนี่ยนะแล้วก็มีอีกลายคนในลักษณะเนี่ยก็คือ พระองค์ก็เจริญเมตตานะเจริญเมตตาเพื่อสงเคราะห์เขาเขาก็ตอนหลังพระองค์ก็แสดงธรรมเขาก็บรรลุมรรคผลเป็นต้นพราะนั้นด้วยอนุภาพของพระปริศก็เป็นเครื่องป้องกันได้เนี่นะเพราะฉะนั้นแม้ช้างดดพอมาถึงตัวเข้าก็เชื่องไปอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวไปแม้กองไฟใหญ่กําลังลุกโพลงอยู่ลามมาถึงตัวเท่านั้นก็พลันดับไป เพราะฉะนั้นอย่างไฟเนี่ยนะไฟไม่ไหม้บางที่ซึ่งมันน่าไหม้บ้างมันก็ไม่ไหม้เนี่ยนะมันก็แปลกงะบางบางแห่งเนี่ยบางสถานที่มันน่าจะไหม้บ้านบางบ้านที่อยู่ติดกันนะมันน่าไหม้จะตายแต่มันก็ไม่ไหม้อย่างเงี้ยคือบางเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าบางบางอย่างเนี่ยด้วยอนุภาพของบุญบางอย่างก็ด้วยอนุภาพของภาพปริตก็ป้องกันได้แม้ยาพิษแรงกล้าที่กลืนกินเข้าไป ก็หายเป็นยาเมื่อเจอยาแก้พิษหรือกลับเป็นอาหารแผลซ่านไปด้วยอนุภาพของพระปริศเนี่ยนะยาพิษกลายเป็นอาหารไปเลยยังไงนีแทนที่จะเรียกว่าเป็นยาฆ่ากลายเป็นยารักษาโรคไปด้วยซ้ําไปด้วยอนุภาพของพระปริศนักฆ่าคนผู้ต้องการจักกรรจัดพอเข้าถึงตัวเท่านั้นก็ตกเป็นธาตุไปเรียกว่าสมัครไปเป็นธาตุไปแม้เดินเหยียบบ่วงบ่วงก็หาคล้องไม่ก็ด้วยอนุภาพของพระปริศ ขอถวายพระพรพระองค์เคยสดับมาบ้างหรือไม่ว่านกยุงเจริญพระปริศทุกวันเจริญอะไรอุเทนยัญจักขุมาเอกราชาฮริสวรรณโอปเทวีปภาโซเป็นต้นเนะที่ที่นกยุงโมระปริศเนี่ยโมระปริศเรียกว่าพระปริศที่นกยุงเจริญทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนายพรานไม่อาจจะใช้บ่วงดักได้ตลอดร้อยเจรปีแต่มีอยู่วันหนึ่งไม่ได้เจริญพระปริตวันเดียววัน นายพรานก็เลยใช้บ่วงดักเอาได้เพราะอะไรรู้ไหมคือปกตินกยุงตัวนี้มันจะเชาวกว่าเจริญพระปริตเย็นเจริญพระปริศมีอยู่วันหนึ่งลืมเจริญพระปริศเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีเสียงนกนางนกยุงอีกตัวหนึ่งมาร้องใกล้ๆเลยลืมมนตัวเองหมดเลยมนเสื่อมเลยลืมสวดพระปริตก็เลยถูกบ่วงเข้าเลยครับเนี่ยเรียกว่าลืมเนี่ยนะก็เพราะอะไรเขาบอกว่าเสียงสตรีเนี่ยมันรุนแรงมากเขาบอกงั้นก็เลยลืมเจริญพระปริตเลยวอาลืมมนหมดนะก็เลยถูกจับเลย พระเจ้ามิเรนก็บอกอข้าพระเจ้าเคยได้ฟังพระคุณเจ้ากบกิตติศัพท์ในเรื่องนั้นขจระจายไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกโอ้เรื่องนี้เรื่องดังจะตายไปใครจะไม่รู้เหมือนั่นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสว่าการเจริญพระประิตการใช้ยาเป็นของหาประโยชน์มิได้ดังนี้ก็เป็นคำตรัสที่ไม่ถูกต้องขอถวายพระพรพระองค์เคยสดับมาบ้างหรือไม่ว่ามีฐานนบทานบทานบก็คือตระกูลยักษ์นะนะยักษ์ยักษ์ ยักมหมายเขาว่ากลมเทพพระเจ้าชั้นดาจาตรุมะนะซึ่งเมื่อจะรักษาภริยาเอาไว้ให้ดีก็เลยใส่ภริยาเนี่ยเอาไว้ในหีบแล้วก็กลืนเข้าไปไว้ในท้องเพื่อป้องกันต่อมามีวิทยาทรตนหนึ่งเข้าไปในทางปากของทานนบนั้นก็อยู่อภิรมกับภริยาของทานนบนั้นเวลาที่ทานนบนั้นอะชักรู้แล้วก็สำรอกหีบออกมาเปิดดูทันทีที่หีบถูกเปิดออก วิทยาทรก็หลบหนีไปได้ตามต้องการพระเจ้ามิรินก็บอกใช่ข้าพระเจ้าเคยฟังพระคุณเจ้าเรื่องนี้ก็โด่งดังระบือไปทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะดังมาอุษาเก็บไว้อย่างดีเลยนะพระนาคเซนบอกขอถวายพระพรวิทยาทรตนนั้นใช้กําลังภาพรปริศไม่ใช่หรือจึงพ้นจากการจับตัวได้ภาพรปริศในที่นี้แปลว่าเวทมนต์นะเวทมนต์ก็ช่วยได้คือในทางพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง เวทมนต์คาถาอะไรแต่ไม่ได้สอนให้ไปงมงายในเวทมนต์คาถาเหล่านั้นแต่ว่าการเจริญภาพรปริตเป็นต้นก็เป็นเครื่องที่ป้องกันเนี่ยนะเป็นการเป็นกุศ ล, ลจิตด้วยในขณะที่เจริญภาพรปริตเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะพระนาเกษ็ก็เลยกล่าวว่าขอถวายพระพร ถ, ถ้าอย่างนั้นกําลังแห่งพระปริศก็มีอยู่ ขอถวายพระพรพระองค์เคยสดับมาบ้างหรือไม่ว่ามีวิทยาธรตนหนึ่งได้ไปสมสู่กับพระมเหสีของพระราชาเมืองพระนศีภายในเมืองพอถูกจับได้ก็ใช้กำลังเวทมนต์เนี่ยหายตัวไปทันทีใช่พระคุณเจ้าครับพระเจ้าเคยได้ฟังขอถวายพระพรวิทยาธรตนนั้นใช้กำลังพระปริศไม่ใช่หรือจึงพ้นจากการจับตัวได้บอกใช่พระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นกาลังแห่งพระปริศก็มีอยู่เนี่ยนะ พระเจ้ามิลินก็ถามแต่ว่าพระคุณเจ้าหน้ากเกษตรพระปริตรักษาได้ทุกคนเลยหรือบอกโอ้ดีนะถ้าฟังก็ก็เห็นด้วยนะมันใช้ได้กับทุกคนไมหมล่ะขอถวายพระพรย่อมรักษาได้เพียงบางคนบางคนก็รักษาไม่ได้นี่นะพระปริตพุทธคุณทั้งหลายเนี่อรักษาได้เฉพาะบางคนพระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นพระปริตก็ไม่ชื่อว่าเป็นของจําปรารถนาสําหรับทุกคน ก็แปลว่าไม่ดีจริงสิใช่ไม่ได้กับทุกคนเลยสิขอถวายพระพรอาหารนี่รักษาชีวิตของทุกคนได้หรือหนออาหารนี่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่มันมีอาหารทุกอย่างมันรักปกติอาหารมารักษาชีวิตใช่ไหมอาหารมารักษาชีวิตกับทุกคนใช่ไหมพระคุณเจ้าย่อมรักษาได้บางคนบางคนก็ไม่อารักษาได้เอา้าทำไมอ่ะอาหารมันน่าจะรักษาชีวิตได้ทุกคนไม่ใช่หรือ พระคุณเจ้าก็เพราะเหตุว่าบางคนพอกินอาหารนั้นอะมากเกินไปแล้วกว็าตายกินเกินตายเช่นอะไรนะชูชกดังกันนะแต่ก็บอกว่าสมัยใหม่นี่ก็คือเช่นคนที่อดอยากหิวโหวยมานานๆหลายๆวันติด ๆ, ๆกันก็กินเกินไปก็อาหารไม่ย่อยตายเนี่ยนะตัวอย่างอะไรนะในเรื่องนางสามมาวดีใช่ไหม พ่อแม่ของนางเขาบอกว่าไปขออาหารมาได้สส่วนคือคือมีพ่อแม่ลูกสามคนเนี่ยนะจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งพร้อมกันหิวโอดอยากกุดข้าวมาหลายวันอดอยากหิวโหยมากก็เลยไปขอทานเออขอหมายไปขออาหารจากโรงทานของโคสกะเกษ ธ, ธีก็ไปขออาหารมาได้อาหารสส่วนแปลว่าได้สามถ้วยใหญ่ๆน ะ, ะพ่ อ, อผู้ที่เป็นลูกก็ทานนิดเดียวแม่ก็กินนิดเดียวก็เลยเอาอาหาร ไอสาเท่ากับ3จานใหญ่เนี่ยมารวมเป็นจานเดียวให้ผู้เป็นพ่อกินซะให้อิม่มอดมาหลายวันพ่อกินเสร็จคืนนั้นก็ตายนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันพวกระบบการกระเพาะลำไส้มันก็ไม่ดีใช่เพราะอดอาหารมาตั้งหลายวั น, นเนี่ยนะมันมาให้กินหนักๆๆๆางนักทีเดียวก็อาหารไม่ย่อยตายอีกวันวันที่สองก็ไปขออาหารมาสองที่นางสามมาวดีผู้เป็นลูกกินหน่อยเดียวแม้ไหนแม่อออก็าอดจากมาหลายวันแม่ทานเยอะเยอะ ตกคืนนั้นแม่กินอีกก็าตาอยอีกนะกินเนะ ก, กินไปเพราะนั้นอาหารถ้าหากว่าคนที่อดอาหารมานานๆบ่อยๆเนี่ยนะคนไข้พักฟื้นให้กินหนักๆกินแข็งๆเลยนะแบบอดอาหารมาหลายๆวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เสร็จสับเปรอะร <laughs> พันธุ์อาหารเนี่ยนะถ้าหากว่ากินมากเกินไปบางทีบางคนก็ทานผิดบางประเภทก็ท้องเสียตายเป็นต้นใช่ไหม ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นอาหารก็ไม่เชื่อว่ารักษาชีวิตทุกคนสิก็ไม่ได้ข่าวว่ากูยังมีคนกินตายงั้นอาหารก็รักษาชีวิตไม่ได้กับทุกคนสิก็แปลว่าจะไปกินข้าวมันเลยง น, นั้นพระคุณเจ้าอาหารย่อมฆ่าชีวิตได้ด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะบริโภคมากเกินไปสองก็ 2. เพราะว่าธาตุไฟนี่มันอ่อนกําลังก็คือมันไม่ย่อยอะนะเรียกว่าธาตุไฟก็คือพวกมันไม่ย่อยอ่ะกระเพาะกระเพาะลำไส้ไม่ทํางานอะ่ะ พระคุณเจ้านาเกษตอาหารแม้ปกติให้อายุแต่เพราะมีวิธีการที่ไม่ดีเรียกว่าให้ผิดหลักแงั้นจะฆ่าเอาชีวิตได้ซึ่งปกติอาหารนี่เป็นสิ่งที่รักษาชีวิตให้ผิดวิธีก็ยังตายพระนาเกษตรก็บอกขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระปริตรรักษาคุ้มครองได้แต่บางคนไม่อาจจะคุ้มครองรักษาบางคนได้ ขอถวายพระพรพระปริษไม่อาจจะคุ้มครองรักษาได้เพราะเหตุสามประการคือหนึ่งเพราะกรรมมาวรนเครื่องกั้นคือกรรมนั่นนะกรรมมาวอนเครื่องกั้นคือกรรมคืออะไรสองกิเลสสาวรนเครื่องกั้นคือกิเลสสามไม่เชื่อพระปริตปกติไม่เชื่อสวดยังไงก็ไม่ได้ประโยชน์เก น, นเน็แรกก่อนนะกรรมมาวรนเช่นคนที่ทำาอนันติกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระอรหันต์ทาโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อ ทำสังกเภทเป็นต้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่มีประโยชน์นเนี่ยนะพระปริต์ป้องกันไม่ได้อย่างที่สองเป็นพวกนิยตามิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกุศลอกุศลไม่เชื่อดีเชื่อชั่วเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เชื่ออยู่แล้วใจมันเศร้าหมองเกินไปอย่างที่สามพวกที่ไม่เชื่อ อ, อจริงหรือเนี่ยนะก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพระปริต ไม่อาจจะคุ้มครองได้เพราะเหตุสามคือหนึ่งกรรมมาวรนสองกิเลสาวรกรร ม, มาวรนเครื่องกั้นคือกรรมกิเลสอาวรนเครื่องกั้นคือกิเลสแล้วก็ไม่เชื่อขอถวายพระพรปกติที่ปกติเนี่ยนะพระปริศเนี่ยมีปกติตามรักษาสัตว์ทั้งหลายย่อมเลิกละการรักษาก็เพราะเหตุสามอย่างที่ตนก่อเอาไว้นี่แหละนะท่านถ้ามีกรรมมาวอกิเลสาวรนหรือไม่เลื่อมใสก็ไม่ได้ป้องกันอะไร ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ามารดาย่อมเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่อยู่ในท้องให้คลอดออกมาด้วยวิธีที่เกื้อกูลให้คลอดออกมาแล้วก็ชำระสิ่งไม่สะอาดแปดเปื้อนมีน้ำมูกน้ำลายแล้วก็ลูบไล้ด้วยของหอมของดีๆอันประเสริฐยอดเยี่ยมให้สมัยต่อมาบุตรคนนั้นเมื่อไปด่าว่าหรือทำร้ายหรือประหารบุตรคนอื่น คนเหล่านั้นก็โกรธช่วยกันฉุดไปในบริษัทจับตัวเขาไว้นำเข้าไปหาผู้เป็นนายถ้าหากบุตรของหญิงคนนั้นเป็นผู้มีความผิดจริงคนทั้งหลายก็ฉุดคร่าตัวเข้ามาแสดงแก่เจ้านายย่อมใช้ไม้เออท่อนไม้ไม้ค้อนกาปั้นทุบตีเขาขอถวายพระพรมหาปิตมารดาของเขาจะได้รับการฉุดคร่าการจับตัวการนำเข้าไปหาผู้เป็นนายด้วยหรือไม่ หมายเขาว่าอย่างอย่างอย่างที่อย่างเด็กๆ เ, เนี่ยนะเด็กที่แต่ไปเป็นขี้ยาขี้โจรขี้ขโมยเป็นต้นเนี่ยนะในที่สุดก็ไปลักของถึงก็ถูกเขาจับไปเนี่ยเขาตามจับพ่อแม่ด้วยไหมไม่หรอกพระคุณเจ้าพ่อเหตุไรอะ่ะก็เพราะเป็นความผิดของตนไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ พระนาคเกษงก็บอกว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นพระปริษที่มีปกติคุ้มครองรักษาสัตว์ทั้งหลายย่อมงดเว้นไม่คุ้มครองก็เพราะความผิดของตนเองไม่ใช่ความผิดของพระปริตเนี่ยนะไม่ใช่พระปริตก็เหมือนกับแม่นั่นแหละก็ปกติก็ปกปักรักษาแหละแต่ว่าลูกมันเร็วเกินไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงว่างั้นสาธุดีจริงพระคุณเจ้าท่านวินิจฉัยปัญหาได้ดีแล้ว เงื่อนปมเป็นอันทำ อ, อันท่านทำให้คลี่คลายได้แล้วทําให้สิ่งที่มืดก็ทําให้สว่างแล้วเปลื้องขายคือมิจฉาทิฐิได้แล้วท่านเป็นผู้ถึงความยอดเยี่ยมในคณะผู้ประเสริฐทั้งหลายก็ยอมรับว่าใช่พระปริศนี่เป็นเครื่องป้องกันในรายละเอียดเกี่ยวกับพระปริศเครื่องป้องกันที่เราก็ควรจะปกติก็สาธยายไว้บ้างเนะสาธยายไว้บ้างแต่ก็เป็นสุเป็นบทที่ดีน่าสวดเนี่ยนะคุณสุจินปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่า ยังรักษาอยู่ได้หรือเปล่ารัตนาสูต ร, ร, รไม่รัตนาสูตรยังรักษาไป ไ, ปไหมมนมีการไม่ท่องบน่นเป็นมนทินใช่แล้วเหมือนกับเรือนมีการไม่หมั่นเป็นมนทินเนี่ยนะบ้านใครมีบ้านตะกี้เกียรตเชิดแล้วก็เสาร์มองแน่ร่างกายตะขี้เกียรติอาบน้ํากว่ามนทินเหมือนกันมนถ้าไม่ท่องนะเจง <c oughs> นะนะคุมบุญชูนะตอนนี้เป็นยังไงมั่งผาระบัณฑิตสูตรเป็นต้นยังเหลือไหม อ๋อไม่ได้ร่ายเลยนะถ้าร่ายครั้นี้นี่ก็สดุดหลายตอนอย่างรัตนสูตรเนี่ยนะรัตนสูตรก็ท่านบอกว่าเป็นสูตรที่เป็นเครื่องป้องการรักษาอมนุษย์ด้วยนะป้องการให้พ้นจากอมนุษย์ <What? S 1> แล้วก็เป็นสูตรที่ดีด้วยนะเป็นสูตรที่ที่น่าสนใจเนี่ยนะใครที่อยากจับ ก, ก็ควรจะจำนะเพราะว่าเราจะรู้จักคุณของพระรัตนไตร เนเป็นพระสูตรที่น่าสาทยาเราจะได้มีศรัทธา ม, มั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยพระรัต น, ตนสูตรเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนก็คือแสดงที่เมืองไผ่สาลีพระทุกคนเป็นพระปริษไหมเป็นในทชักสูตเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง